ช่างซ่อมรองเท้าแสนฉลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่างซ่อมรองเท้าที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ก, กับภรรยาของเขาเขาไม่มีงานทาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารและวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจและพูดกับภรรยาของเขาว่าฉันคงอยู่ที่นี่ไปต่ออีกไม่นานไม่มีงานทำที่นี่ฉันต้องลองไปเสี่ยงโชคที่เมืองใหญ่ ฉันคงได้งานที่ดีอยู่ที่นั่นให้ฉันทำช่างซ่อมรองเท้ามาถึงเมืองใหญ่เขาได้เดินไปตามท้องถนนและตะโกนว่าซ่อมรองเท้าซ่อมรองเท้าทำให้รองเท้าคู่เก่าเหมือนคู่ใหม่รองเท้าจึเงาวับซ่อมรองเท้าซ่อมรองเท้าซ่อมรองเท้าให้เหมือนใหม่ท่างทารองเท้าไม่มีงานทำในวันแรกวันรุ่งขึ้น เขาเดินไปตามถนนในเมืองใหญ่อีกครั้งและตะโกนว่าซ่อมรองเท้าซ่อมรองเท้ามีผู้หญิงเรียกช่างซ่อมรองเท้าช่างซ่อมรองเท้าช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้หน่อยได้เลยคุณผู้หญิงช่างซ่อมรองเท้านั่งตรงประตูหน้าบ้านและเย็บรองเท้าเข้าด้วยกันคุณผู้หญิงรองเท้าซ่อมเสร็จแล้วเท่าไรหร่ล่ะหนึ่งเหรียญทองแดง เอาไปจ้ะเขารับเงินมาแล้วจากไปทันทีที่เขาเดินไปถึงอีกถนนหนึ่งก็มีผู้หญิงอีกคนเรียกเขาให้ซ่อมรองเทา้านี่เป็นรองเท้าบางคู่ของฉันซ่อมหมืนให้ฉันทีนะช่างซ่อมรองเทา้าซ่อมรองเท้าเสร็จก็รับเงินแล้วจากไปวันนี้ฉันทางานได้เยอะเลยฉันจะทํางานนี้แบบนี้ต่อไปอีกไม่นาน ฉันจะมีเงินพอซื้อลาเขาทำงานหนักแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็สะสมเหรียญทองได้สี่เหรียญเขาซื้อลาด้เหรียญทองสองเหรียญและตัดสินใจกลับบ้านวันรุ่งขึ้นเขาเก็บของแล้วกลับบ้านระหว่างทางเขาเดินผ่านป่าแล้วเขาเห็นโจรกลุ่มหนึ่งอยู่พระเจ้าคุ้มครองฉันด้วย พวกนี้ต้องเอาเงินฉันไปหมดแน่เลยแล้วฉันจะกลับมาจนอีกครั้งฉันต้องทําอย่างไรดีช่างซ่อมรองเท้าฉลาดมากเขาไม่ได้เสียขวัญและคิดวางแผนเขาเอาเหรียญทองผูกกับเชือกเอาไว้ที่ขอของลาโจรจับเขาสองเงินของเจ้ามาให้หมดแล้วเขาเห็นไหมฉันเป็นช่างซ่อมรองเท้าจนโจรฉันไม่มีอะไรเลยนอกจากลาตัวนี้ ได้ปลดปล่อยฉันไปเถอะทันทีที่ลาได้ยินอย่างนั้นลาก็ส่งเสียงร้องทำให้เหรียญหล่นลงมาจากคอของลาล้มาอยู่บนพื้นงั้นเหรอแล้วเจ้าได้เหรียญทองพวกนี้มาจากไหนกล้าดียังไงมาโกหกพวกเราหยุดก่อนหยุดก่อนเอาละฉันจะบอกพวกนายลาตัวนี้ให้ทองกับฉันฉันถึงไม่มีทองพวกนี้ถ้า ง, งั้นก็ขายลาตัวนี้ให้พวกเราแล้วเราจะปล่อยนายไป ออไม่ไม่ได้นะถ้าหากว่าฉันขายมันฉันจะไม่เหลืออะไรเลยฉันจะให้นายเหรียญทองห้สิบเหรียญก็ได้แต่ว่าต้องระวังนะพวกนายต้องให้ลายอยู่กับพวกนายคนละวันถ้าไม่งั้นพวกนายต้องทะเลาะกันเพราะเงินแน่นอนช่างซำรองเท้าขายลาไปแล้วกลับบ้าน <c oughs> เขามีความสุขมากที่ได้เหรียญทองผู้นี้มาด้วยเงินเหล่านี้ <c oughs> เขาก็ได้ไปซื้อฟาร์มไก่ ในขณะเดียวกันพวกโจดก็ได้ไปถึงที่ซ่อนกับลาที่เพิ่งซื้อมาหัวหน้าโจรกล่าวว่าฉันเป็นหัวหน้าโจรฉันควรจะเก็บลาไว้กับฉันก่อนอืมพวกโจดได้เชื่อฟังหัวหน้าของเขาและคืนนั้นหัวหน้าโจรก็ได้นอนในข้อ ก, กับลาเขาต้องการที่จะเอาเงินไปทั้งหมดเมื่อเขาตื่นขึ้นวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาพ บ, บว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในค้อเลย เขาลองค้นหาทั่วคอกแต่ก็ไม่เจออะไรเขาคิดได้ว่าช่างซอมรองเท้าหลอกเขาแน่ๆในขณะที่คนอื่นๆกำลังเดินเข้ามาวนาได้ทองบ้างไหมบอกพวกเราทีสิว่าได้ทองเท่าไหร่นายจะรู้เองเมื่อ น, นายเก็บปลาไว้กับนายในคืนนี้วนาโจรไม่ได้พูดอะไรกับทุกคนเขาต้องการให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้เข้าใจผิดไป แต่ละวันทุกคนก็ได้อยู่กับลาจนครบแต่ก็ไม่มีใครได้ทองจากมันพวกเขาทุกคนก็รู้ว่าโดนหลอกหัวหน้าโจนจึงเรียกประชุมช่างซ่อมรองเท้ามาหลอกพวกเราเราต้องไปสั่งสอนมันหน่อยแล้วเขาขายลาธรรมดาให้กับเราด้วยเงินตั้งห้าสิบเหรียญทองเราต้องเอาเงินของเราคืนมาแล้วลงโทษเขาสำหรับเรื่องที่เขาหลอกเราใช่แล้วไปกันเถอะ พวกโจรได้มาถึงบ้านของช่างซ่อมรองเท้าเขาทํางานอยู่ในฟาร์มเขาเห็นโจรกาลังเข้ามาเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้านและบอกกับภรรยาว่าฟังให้ดีนะเมื่อพวกโจรมาถึงแล้วถามหาฉันบอกพวกมันไปว่าฉันทํางานอยู่ในฟาร์มแล้วส่งไมโลไปเรียกฉันหลังจากพูดเสร็จเขาก็ได้ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังบ้านไม่นานนะักพวกโจรก็มาถึงช่างซ่อมรองเท้าอยู่ที่ไหน ไปเรียกเขามาเราอยากคุยกับเขาเขาอยู่ในฟาร์มให้ฉันส่งหมาไปเรียกเขาเถอะนะไม่โลไปเรียกนายของแกมาบอกเขาว่ามีคนมาหาเขานี่มันอะไรกันไม่โลไปเรียกสามีเธอให้มาที่นี่ได้จริงๆเหรอแน่นอนไม่โลเข้าใจทุกอย่างเมื่อไรก็ตามที่ฉันต้องการจะพูดกับสามีของฉัน ฉันส่งไมโลไปเรียกเขาแล้วไมโลก็จะส่งข้อความนั่นกับเขาขณะที่พุ่งโจนกำลังคุยกับภรรยาช่างซ่อมรองเทา้าช่างซ่อมรองเท้าก็มาถึงโอ้นายนั่นเองไมโลบอกฉันว่านายอยากคุยกับฉันเราไม่ได้อะไรจากลาของนายเลยนายหลอกเราในาโกหกเราตอนนี้ฟังนะฉันรู้ว่านายต้องทำอะไรผิดสักอย่างแน่เลยไม่ว่าอะไรที่ฉันมีมันเป็นเพราะว่าลา เอาละพวกเราเชื่อนายนายต้องขายหมาตัวนี้ให้เราด้วยไม่ไม่มีทางฉันขายมันไม่ได้หรอกฉันจะจ่ายนายเหรียญทอง4ี่สิบเหรียญสำหรับหมาตัวนี้หลังจากที่ปฏิเสธไปช่างซ่อมรองเท้าก็ตกลงที่จะขายหมาให้กับพวกเขาโจนพาไมโลแล้วจากไปเมื่อมาถึงถ้า หัวหน้าจนประกาศว่าเขาจะเป็นคนแรกที่เก็บหมาเอาไว้ส่วนคนอื่นเชื่อฟังเขาแล้วจากไปหัวหน้าจนเลื่อนลูกสาวเข้ามาเธอเชื่อว่าคาเมลาฟังนะคาเมลาพ่อจะไปทํางานข้างนอกถ้ามีใครมาถาม ถ, ามถึงพ่อส่งไมโลไปเรียกพ่อนะได้คะ่ะพ่อไม่นานก็มีผู้ชายมาหา แล้บอกให้ลูกสาวหัวหน้าโจรไปเรียกพ่อของเขามารอสักครู่นะคะฉันจะส่งเข้าไปไม่โลไปบอกพ่อฉันว่ามีคนต้องการพบไมโลวิ่งออกไปจากบ้านของหัวหน้าโจรแทนที่จะไปหาหัวหน้าโจรไมโลกลับบ้านของช่างซ่อมรองเทา้าเมื่อหัวหน้าโจรมาถึงบ้านในตอนเย็นเขาก็ไม่เห็นไมโลเขาคิดว่าไมโลต้องกลับไปหาเจ้านายของมันแน่ๆ ดังนั้นเขาจึงไปบ้านของช่างซ่อมรองเทา้านี่ฟังนะไมโลได้มาหานายหรือเปล่าใช่เขามาที่นี่ฉันคิดว่าเขาคงคิดถึงฉันให้เวลาเขาหน่อยนะอีกไม่นานเขาจะยอมรับนายให้เป็นหัวหน้าขเขาหัวหน้าโจรเอาไมโลกลับไปและให้ไมโลไปอยู่กับลูกน้องของเขาในวันถัดมาไมโลอยู่จนครบทุกคนทั้งแก๊งคนละวัน แต่ละวันไมโลจะกลับไปหาช่างซ่อมรองเทา้าทุกคนคิดได้ว่าพวกเขาโดนหลอกอีกครั้งแล้วพวกเขาจึงคุยกันครั้งนี้เราไม่ควรจะโดนหลอกอีกแล้วเราต้องไปสั่งสอนเจ้าช่างซ่อมรองเท้านะั่นครั้งนี้พวกเขาไปถึงบ้านช่างซ่อมรองเทา้าพวกเขาไม่เสียเวลาพูดคุยกับช่างซ่อมรองเทา้าพวกโจรจับเขาใส่ลงกระสอบเพื่อให้เขาได้รับบทเรียน นั่งทำรองเทา้านั่งอยู่ในกระสอบอย่า ง, ง, งเงียบๆระหว่างทางพวกโจรได้ผ่านโบดหนึ่งในกลุ่มโจรพูดขึ้นว่าโอ้หัวหนะ้ามันร้อนมากเลยเราไปพักกันใ้โบดเถอะเราสามารถรอจนถึงตอนเย็นเพื่อที่จะทางานนี้ได้นะพวกโจรทิ้งช่างส้อรองทัาเอาไว้ข้างล่างแล้วพวกโจรก็เข้าไปในโบท์โบทอยู่บนภูเขาคนเลี้ยงหมูได้ผ่านมา เมื่อช่างซํอมรองเท้าได้ยินเสียงเขาก็เกิดความคิดช่างซํอมรองเท้าเริ่มตะโกนเสียงดังฉันจะไม่ทำฉันจะไม่ทำปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปคนเลี้ยงหมูได้ยินเสียงของช่างซํอมรองเท้าแล้วเดินเข้ามาหาเขาและพูดกับช่างซํอมรองเท้าว่าเออนี่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนายไม่อยากทำอะไรแล้วใครเอานายใส่กระสอบนี้ พวกเขาอยากให้ฉันแต่งงานกับลูกสาวของพระราชาแต่ว่าฉันไม่อยากแต่งงานทำไมล่ะเพื่อนนายบ้าไปแล้วเหรอถ้าฉันได้เป็นแบบนายฉันคงได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแน่แน่เลยถ้าเป็นแบบนั้นนายก็มาอยู่ในกระสอบสิแล้วก็ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงซะจริงเหรอแน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องให้ฉันออกไปก่อนนะ คนเลี้ยงหมูให้ช่างซ่อมรองเท้าออกมาจากกระสอบและเอาตัวเข้าไปอยู่ในกระสอบแทนช่างซ่อมรองเท้ามัดกระสอบไว้และเอาหมูไปจากที่นั่นโจรลงมาจากโบสในตอนเย็นแล้วถือกระสอบแล้วเดินต่อไปเอาละโยนเข้าลงไปในบอ่อโคลนนี้จะได้เป็นบทเรียนพวกโจรโยนเข้าลงไปในบอ่อโคลนแล้วออกไปที่นั่นขณะกาลังกลับบ้าน ก็เห็นช่างสำอเทา้าเดินอยู่บนถนนพวกจนตกใจนายมาที่นี่ได้ยังไงมันคือที่ที่มีเวทมวนใต้โคลนนั่นมีทองเยอะแยะมากมายและหมูพวกนี้คือคนที่เฝ้าทองฉันออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือของพวกมันและได้ทองมาบางส่วนฉันจะกลับไปนอนที่นั่นละเดี๋ยวก่อนพาพวกเราไปที่วิเศษนั่นแล้วนายยังได้จับทองเชียวละแต่ว่าฉัน ทำตามที่ฉันบอกซะก็ได้ถ้านายยืนยันแบบนั้นกลุ่มโจได้ไปถึงที่ที่ช่างซ่อมรองเท้าบอกถ้านายอยากได้ทองนายต้องขังตัวเองอยู่ในกระสอบใบนี้แล้วโจทุกคนก็มัดตัวเองในกระสอบช่างซ่อมรองเท้าได้โยนพวกโจลงไปในบ่อโคลนและให้หมูไปเล่นกับพวกโจเฮ้ hey! มาหลอกพวกเราอีกแล้ว นี่น้องชายตัวเเราเออกไปจากที่นี่เถอะเราจะไม่รบกวนนายอีกแล้วอย่าทิ้งพวกเราไว้ที่นี่เลยได้โปรดพวกโจรได้ร้องตะโกนแล้วหมูก็เลียบพวกโจรช่างซ้อมรองเท้าหัวเราะเมื่อเห็นภาพพวกนี้หลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านเขาอยู่อย่างสงบสุขและมีความสุขกับภรรยาของเขา